โดยทำสั้นยๆยอ่อแล้วก็มีการแนะนำ ว, วิธีปฏิบัติให้พวกเราได้เข้าใจการปฏิบัติธรรมมันมีวิธีการต่างๆไม่เหมือนกันบางคนก็แนะนวไปอย่างหนึง่งบางคนก็แนะนวไปอย่างหนึ่งคือแนะนวตามอุดมการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นคนได้รู้สิ่งใดก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาสอนเรียกว่าศ า, ศาสนาศาสนาไปว่าคำสอนสาศาสนาคือตัวเราเนี่ยแหละตัวทุกคนนั่นแหละเป็นตัวาศาสนาแล้วก็สอนก็สอนเข้าหูนั่นหูมันมีคนแล้วก็มีต า, าศาสนาจริงแต่ละคำสอนสอนให้เบิ้งเบิ้งให้เห็นหูให้ฟังฟังแล้วเนี่ยจำเอานำไปใช้นาไปปฏิบัติ คนสอนบไม่มาจีสอนแล้วจีไปนิ่งนอนอยู่บ่ไรสอนแต่พวกอื่นโบได้สอนตัวเองกับโบเองเป็นว่าสอนคนอื่นนั้นสอนงานสอนตัวเองสอนยากรวมพิดนั่นคือจีว่ายกมาเป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อเขาบบได้เข้าใจเขาเข้าใจกังแต่ว่าไปสอนคนอื่นตัวเขาบบเคยสอนเยอะหลวงพ่อเคยเป็นอย่างไนเห็นคนอื่นทำพิดนี่ ดวยจ็บมาว่าโลตัวเองทาผิดพวกเคยว่าจะเพื่อจริงๆแต่ว่าขวมผิดเป็นครูแต่อย่าทาผิดพวกเรามาปฏิบัติที่นี่มีวิธีทาจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพวกมีการนิง่งการนั่งนิ่งนั้นเป็นอุปสรรควิธีที่หวงพ่อนำมาใส่ด้วยทุมูมมันเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติ แต่ไม่ต้องหนังนิ่งทาจังหวะมากๆคนใหม่นี่ต้องทําจังหวะมากๆทำซาซานานๆใจพอดีมันรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่ารู้เรื่องรูปนามเนี่ยปัจจุบันี้ต้องเดินจมกรมให้มากการเดินจมกรมนั่นก็ดีแต่ว่ามันตู้การทําจังหวะไม่ได้คนใหม่การทําจังหวะต้องทซํซาซายิ่มนิ่มหรือทําอ่อนๆถ้าทําแรง ทำไวๆมันกำหนดบทมันสติเข้าบทแหกแปลงแต่ว่าทำศรัทธาหรืก่อนทําให้เป็นจังหวะเป็นจังหวะให้รู้สึกว่ามันหยุดมันนิ่งให้รู้สึกมันไหวไปไหวมาให้มันรู้สึกความรู้สึกมันก็ให้เกิดปัญญามันก็ให้เกิดญาณขึ้นโดยตามธรรมชาติของมันอันที่ความรู้สึกนั้นมันเป็นสิ่งที่ บ้ได้กำหนดตัวเองว่ามันเป็นไปเพราะอวิชชาเป็นไปเพราะหัวไม่รู้หัวไม่รู้สึกตัวในปัญญาคือกับตัตัวหมู่มาเป็ดไก่หัวควายจะเหมันบรู้สึกแต่มันก็ไปเป็นมาเป็นกินเป็นนอนเป็นเสื้อผันเป็นเหมือนกันแต่มันบรู้สึกในขณะที่มันทํามันพูดมันคิดมันบูรุษนั่นก็เหตุไปของเหตุนิวม่ายุนวัตพอดีตัวนึงนี่มันแล่นไปเลยทันที มันว่ามันไ่รู้ตัวมันแต่มันก็รู้รู้มันวิ่งมันแล่นไปนคนเราเป็นโหน้าที่เป็นอย่างไงเจ้่ว่าฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเองโมเม่นผู้ใดยกย่องสิใดจีเปรวาที่นั้นโบดเลยโบได้เบิ่งตัวเองการปฏิบัตินั้นจึงว่าพยายามฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองฝืนนิสัยหลวงพ่อเคยว่ากลางวันโบต้องนอน โมนอนในแท้เราพยายามทําอยู่ตลอดเวลากลางคืนแท้นอนพอตรงคนกันนอนถ้าบมนอนได้มันบได้พักผอนกลางวันโม น, นอนแล้วกระโบชอบคุยหลวงพ่อเคยไว้ายฟังในหอมุกไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นคนชอบพอกันพอได้ถึงเวลาก็หมาอมเนียมาคุยหลวงพ่หาทางนี้บมอยากพูดบมอยากคุยเพราะตัวเองมาปฏิบัติธรรม ที่เป็นคนชอบพูดชอบคุยมันโมได้เลยบม่ได้ทําหน้าที่ธุระของตัวเองที่ตัวเองไปชอบพูดชอบคุยแต่มันคิดไปคุณแยกใจแล้วเหาโบเห็นในขณะ ท, ที่เขาพูดเขาคุยกันอยู่นั่นอีกซึ่งแบบโบได้เบิ่งตัวเขาแล้วเป็นยังงในเมื่อความรู้นั้นมันจึงบบปรากบเกิดขึ้นเพราะควมไม่รู้มันมีอยู่แล้วเนี้ยควมไม่รู้คื อ, อยังมันควมไม่รู้ตัวเราแต่มันรู้เพราะว่าอวิชาไปว่าผมไม่รู้ อะไปว่าไม่ว you know ิชาไปว่ารู้มันรู้ไปจังอ <ad> ื่นพมันไม่รู้ตัวอวิชาไปว่ารู้วิชานี่คือรอบตัวเขาอย่ากลอยปากละเลยมันใสโลกคุณอื่นให้มันรู้อยู่ที่ตัวของเขาเนี่เคลื่อนไหวมันรู้เมื่อหลวงพ่อนี่ไปแล้วสองสามเพื่อนเราก็บูมมาผมบอกหลวงพ่อว่อย่าพูดอย่าคุยแล้วหลวงพ่อไปย่างเดินมันตางแดดที่คุณน้าตากแดดผมเดินอยู่คุณ อย่างสมุขข้อมอกภูมเป็นอาสนิษยสเราต้องรู un, everyday, life life ้จักคำนึงคำนวณอยู่เสมอการปฏิบัติธรรมเราไปเข้าห้องน้ําห้องส้วมก็เป็นการปฏิบัติธรรมมาสันเข้าเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปส่งน้ําก็เป็นการปฏิบัติให้ว่าทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมะทางนั้นการปฏิบัติธรรมจึงบ้ได้กาหนดกดเกณสถานที่ใดๆทั้งหมดถ้าหากเขารู้จักวิธีปฏิบัติธรจริงอันแนว บหงส์จากวิธีนะครัเป็นนางโยนเสน่ห์เฮ็ดอยู่ตั้งจังหวะคิดไปใส่นึกร้อยอันพันยามโบลูสึกตัวลูน้อยอะไรมันคิดอย่างเครู้อันนั้นมันเป็นรู้เรื่องนึงแล้วได้หนึ่งอันเคลื่อนไหวอยู่นี่ให้มันรู้ด้แทลเนี่ยมันคิดตามันอ่านใจมันนึกมันคิดให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์อันนั้นเนี่พระพุทธเจ้าเขาจึงสอนทุกให้กำหนดรู้อันตัวทุกมีตัวเคลื่อนตัวไหวเป็นไตัวทุก คนสอนให้รู้ทุกอันนี้เนี่ยสมุทัยต้องละมันโบละมันคิดไปอันตัวสมุทัยกับตัวคิดกับเม่อันเดียวกันนั่นแหนละสมุทัยต้องละมักต้องเจริญหรือเจริญก็กคือทำนั่นแหละนี่โนดทำให้แกล้งเขาก็ลูมาเข้าลูมาเข้าสะสมเข้าทีเล็กทีน้อยมันก็แก้งหรือรู้จักป้อนที่จะรู้จักต้องอาจใสปัญญาหรือยานเกิดขึ้น มันมียานเกิดขึ้นตามลำดับตามขั้นตอนของมันนะที่หลวงพ่อทำผมแม่เสียไปจำเอาจากคำพูดคนนั้นคนนี้ผมเองนพอรู้รู้เพราะที่ว่าว่าวกัคนอื่นเว่าวาคืออย่างที่หลวงพ่อว่านคนอื่นนั้นคนรู้อย่างนั้นก็เอาเรื่องนั้นมาสอนอย่พอบมได้รู้อย่างนั้นรู้เพราะการกระทำเมื่อการกระทำของตัวเองนี้เราควรรู้หลวงพ่อเป็นอย่างว่าพวกเราถ้าหากปฏิบัติจริงจริงจะต้องพยายามทาจริงๆ ยังเป็นคนหลอกตัวเองคนมันชอบหลอกตัวเองบอกว่าเพิ่ว่าพบกันทุกคนหลอกตัวเองการปฏิบัติธรรมต้องพยายามลดละมานะลดละทิฏฐิทิฏฐิไปชมเห็นถ้าเห็นถูกต้องก็ดีถ้าเห็นผิดก็ผิดไปโดยตรมานะมานะคือถือเนื้อถือตัวทิฏฐิไปชมเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องมิตรตาทิฏฐิเห็นผิดเพิเ่งมา พิธีคนเดียวนี่เออนีน่ยยังบราณผิดีเหมือนแต่ให้รู้จักให้รู้จักสิ่งที่ผิดมาแล้วต้องแก้ไขอ้าหากมาเราโบกแก้ไขคลบหลวงเขาแล้วก็อยู่ห่นแล้วอยู่ในทั้มันานแลแ้พอเคยว่าทั้มเนี่ยมันมืดมิดมานานแต่นานแล้วร้อยกับพันกันแล้วห้บอกมื่นปีแสนปีมันก็มืดอยู่ในทั้มคนใดอ ย, อยู่ทั้มก็อยู่ในทั้มบ้มีแสงสว่างจักเพืิ่ วันนี้เฮารู้จักวิถีมีเทียนไขเรื่องนี้ไม่คิดไฟอยู่ในมือเอาต่อยไม่คิดไฟน่ะเป็นแสงไฟมันจุดเทียนไขแล้วเฮาเดี๋ยวคิดย่นี้หมือนี้ี๋ยวไฟมันสว่างขึ้นมาผมมืดเหมือนบริีเจ้าเฮานี่เข้าไปมนซื้อเฮาเอาไปมาเบื้องหน้ามืดมันมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟไปข้างใต้มืดมาข้างขวเอาไฟมาข้างขวามืดมาข้างใตมันผมมืดมันลุมมันลอบตัวเขาอยู่ อันนี้เส ม, มอว่าเขาพลิกมือเขารู้บางเทีเป็นโบรูเขาเนี่อยู่ในกลุ่มโบรูอยู่บัด น, นี้เขามีไม้คีบใส่มีเตียงไข่ไตแล้ดวดๆออกมาเลยออกจากท่อมมาอยู่นอกท่อมอีกเมื่อมาอยู่นอกท่อมเลียกเข้าไปในท่อมก็เห็นท่อมมันมืดทําเทามาอยู่นอกที่้วเหามองไปไกลๆมันเห็นมันสว่างมันเป็นอย่างว่าให้รู้จักไเ้แค่ธรรมะธรรมะโบสถ์เป็นโต๊หนังสือโบสถ์เป็นพระไตรปดฎก เราพอเข้าใจเองกันบ๊วยเหนวัดว่าอะาไรไหมยังคือโตทุกคนนั่นแหละเป็นธรรมะทาดีเขาเอาาิ้นธรรมะทําซั่วเขาเอิ้นอาธรรมพูดดีเขาเอิ้นพุทธธรรมพูดซัด่วเขาว่าเป็นอกสุนตคิดดีเขาว่าคิดธรรมะคิดซั่วเขาว่าเป็นอนันตรยกรรมัะเยี่ยววะบาปบุญอันไหนซึ่งทุกทอย่างเใจพวกนี้มันคิดก่อนพอดีลึก จ, จะโอมันผิดแล้วเนี่ยมันทําผิดแล้วสมมุติเอาโกด โ, โก้ยโกดเลยเมืม่อหน้าจีคิดแั่ไหนนู้ที่โบอโกด ต, ต้องรักษาต้องพยายามเป็ย่างให้บุคคลคิดกันผมโกดเนี่ยเป็นบอ่อเกิดของบกดผิดหาทั้งหมดเยอะๆเรียก ว, ว, ว่าผมไม่รู้นั่นเนี่ยเป็นผมที่ขาทั้งหมดเป็นเอื้นโมหะอาสาธรรมะบ้านผมบ้านหลวงปณิว่าหลงหล ง, ล, งลืมคันลืมแล้วมันจีมีบอกหลงยังเพิ่ม เขามาปฏิบัติธรรมะกำลังพลิกมือขึ้นข่วมือลงอย่างไสเอียงข้ อ, อก้มเลยเ น, นี่ยมันเอิ้นหลงอันนี้บางที่รู้บางทีบ่รู้เอิ้นหลงเดินจงกรมเดินไปเดินมาทุกเอิ้นหลงผมไม่นลงเอาคอไปวางไว้ที่นั้นเอาคอไปวางอันนั้นมันลงนอกตัวเขาลงนี่คือลงตัวเขาหลงชีวิตจิตใจเขานี่ลื้มบั น, นยวก็คิดถึงจักเกือบมันพลิกมันเคลื่อนมันไหวทันใัๆรู้ซื้อ รู้เหมือนสัตว์อิลักศาสตรู้ว่าเมื่อกี้นี่สัตว์อิรักศาสต์มันก็แล่นเป็นเห็นตัวนึ่งห้องแล้วมันแล่นไปโลดเนี่ยมันรู้อแต่มันบูรุ่มมันกินแล่นไปอยังมันบริจิตเขานี่คือกันเมื่อมันคิดไปเขาบูรู่เขาเคลื่อนเขาไหวเขาบูรู่เขามากินข้าวแต่อัดน้ําเขาห้องน้ำห้องส่วนเขารู้แต่เขาบูรุ่มเลยดูเพราะยังสอนให้เขากําหนดรู้ให้รู้จริงๆนี่นะ หลวงพ่อกล้ายืนยันรับรองคำพูดและวิธีอันนี้เพราะหลวงพ่อทำมาเลยมันรู้หลวงพ่อเคยทำยังอื่นมาแล้ว <c oughs> ทำมาตั้งแต่อายุติดิิกุปีพุหลวงพ่อทำพุโทโธสัมมาอาหังนับหนึ่งสองสามพองยุกอาณาปานาตติมหลวงพ่อทำได้แต่ความสงบสงบแตสงบแตแท้ วิธีสงกแบบไม่รู้นี่หลวงพ่อยี่ต่อยให้บวกเกินสามเดือนบวกเกินสามสิบวันํานะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทาได้นั่งสงบเงียบเป็นบุยญากานขเข้าใจได้บุยญาแต่มันอเมีปญัญญามันมาคิดเอามันเลยบุรุษผมคิดมันก็เลยพาให้เป็นงผมคิดนั่นคิดไปอันนั้นเ็ควาคิดเอาซ ส, สื้อเตียงการคาดคิดโดนเดาเอาเองนังซื้อกล้ามสูดบอกว่าเนี่ยยาเสือ้อถืออะ โดยเขาเล่าลือกันมาย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาย่าเสื้อถือโดยเหตุเขาทําตามกันมาย่าเสื้อถือโดยว่ามันมีอยู่ในตําราเลยย่าเสื้อถือที่บุคคลว่าน่าเสื้อถือสิบข้อบนสมุดบวให้เสื้อทั้งหมดพอจะบวชเสื้อไปทั้งหมดเสื้อทิ่บนไหนเสื้อที่บนมันลูที่นี่ศรัทธามันเกิดขึ้นกพมันลูที่ศรัทธาทีแรกนั่นจะต้อง ตั้งใจโบกพูดโบกคุยมีศรัทธที่แรกเรื่องให้ทานรักษาตินี้หลวงพอมีศรัทธาสถาน้ำบ้านนําเมืองเพิ่มออพ่อแม่ปู่ยา่าตายายบอกกระศรัทธาโตศรัทธาหลวงพ่อจริงๆเนี่ยหลวงพ่อมาเสือสมั่นทิ่ mm hmm. เคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่หลวงพอกกเกิดศรัทธานีแต่ยังไ่เห็นลู้กระสางหลวงพอ่อ mm hmm. มันเข้ากับหลักพระพจทธตรว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เลยยืน เดินนั่งหน่อยให้รู้เท้าทำสินนการนี้ต่อมาก็ให้รู้สึกการเคลื่อนไหวนเนอะไรแบบทยดย้อยผู้เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เราก็ต้องเพยาย า, ทามทํำตามนั้นเมื่อทําตามนั้นเน้่มันเป็นอย่างมันก็รู้แท้เพราะของจริงมันมีอยู่ในเฮานี่เด้แ ย, ยาไปปกปิดของจริงเอาให้เปิดเผยของจริงออกมาเพราะว่าเปิดเผยโบเมนจีเอามือไปจับโบเม่ไปเปิดเผย อ, อย่าง น, นเปิดเผยก็มหม่อมเสื่งเฮา ทำให้ตัวเขาเปิดเผยเออกมาอย่าให้ผมคิดทุกขครอบงำเอาไว้อย่าไปสร้างที่ประคฏกลายมันคิดขึ้นมามันต้องสู้อย่างไรมันต้องสู้มาโบ น, น่ะเรื่องนี้เรื่องรูปนาม น, นี่หลวงพ่อโบกบเกินห้ามือแลมาปูนานให้ไปไหนติดมืออย่างนานรูถ้าตั้งใจทําในรูปจริงๆริต้องถามใครอีกแต่ด้วยดียนะหลวงพอ่อหลวงพ่อรู้ธรรมะอย่างนี้หลวงพ่อบทหายเลย เดี๋จะทำให้ใจิตใจเปี้ยนไปนี่ในเกณเดือนหนึ่งพู้ทำจริงทำจัิงหนึงเดือนนึงหรือสามเดือนนี่แหละลูกในเกณฑ์ทำให้ใจิตใจเปรี้ยนแปลงสภาพหนึ่งเรียวกว่าขั้นต้นจะ ท, ทำให้มันถึงที่สุขของพกุกในีหลกงพ่อคิดว่าบ่าเกินสามปีถ้าเป็นคนจริงนะขันคนบุญจริงสิปีกับโรลุกเป็นหลกพ่อเคยท่าถายคนมาโบมากกัน้อยสองลูกถ้าหากยังบนทันเป็นก็ต้องจันได้ไประเดียว รู BigQuery, юсь, ้จักเพราะว่าวาให้ฟังทุกมือด้ตอนเร like ้าตอนเย็นหงพ่ว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อโบคอยได้มาว่าหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีธุระหลวงพ่อจีวะตอนทาวัดเช้าว่าเย็นบ่นมีเรื่องหลวงพ่อโบคอยมาหลวงพ่าก็ทำมีธุระนอนธุระหลวงพ่อต้องนอนโอหลวงพ่อทีมากราบเาไว้น้มูลนั้นมันลาบากจีวะือโอกาสเวลาไว้เมื่อคืนนี้หลวงพ่อก็ไปเมืองเลย ไปเมืองเราเจับมืออย่างนี้นะครับขึ้นมากระบวจักมือนี้ถือว่าเวลาพอสมควรในการมาพูดนอนตื่นให้รู้จักอย่างนั้นก็ต้องตีซี่หรือตีสามตีสองนอนตื่นเดียวกับขอแล้วเป็นนักปฏิบัติพอนี้นอนตื่นขึ้นพยายามลุกโลดสร้างจังหวะขันมันนั่งนั่นมันอยากนอนลุกมันยางโลดแต่พอเห็นนิดใส่ด้วยวิธีการพอแก้ปัญหาอย่บนนอนตื่น ถ้านอนตื้อมันเงยบมันเคยตัวมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานเพราะคนมันมักนิสัยขี้เกียจอยู่แล้วสันดานขี้เกียจอยู่แล้วการนอนน้อยกินน้อยกดน้อยกินก็ลดผมไม่ใช่กินตามใจมักอยากไปกินไปบนผิดผิดเพราะยังไมันได้ใจของผมตั่วมันได้ใจของกิเลสคนเอิญกิเลสอันนั้น กินมากนอนมากคุยมากคนอื่นกิเลสก็ยังสอนว่าให้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยให้รู้จักเวลานรู้จักการรู้จักเวลาคนนี้โมเมนต์ีว่ารู้จักสวยๆเนี่ยรู้จักให้รู้จักจริงๆรู้ธรรมะหลวงพ่อจริงหรอโบเคยี่ไปถามคนนั้นคนนี้เพราะหลกงพ่รู้จริงๆรู้จริงแล้วก็รู้แจ้งเนีอยคนบอรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้วิธีอันนี้บมเมนรู้อื่นไงดู้โตเฮา ตัวเฮามันมีอันใดตั้ง่รู้จักมันหมิดอันใดรู้จักความมิดนั่นก็หมายถึงบ่มีมันมันลุลวงไปทั้งมึดมันลุลวงไปเอิ้นเอิญว่าก็นิพัฒนาเกิดขึ้นญาณนิพพัฒนาญาณสิบหกจะมีญาณหกญาณอันใดเพิ่นว่าอันนั้นก็ทุ่มตำราญาณนิพพัฒนาจริงๆนั่นหนึ่งลูกลูกหนาสองลูกอคิตลูกองคิดแล้วก็เลยเลิกลา เรื่องภูสะโมหะภูษานี่ได้และต่อไปกัเป็น ญ, ญาเกิดขึ้นกับเลิกหลักผมยึดมั่นถือมั่นนี่ได้ต่อไปิญญาเกิดขึ้นเกิดรู้จักว่าสิทธิ์อยู่ไส้คืออันไหนเป็นสิทธิ์ต่อไปก็รู้จักเรื่องสมถะธรรมถต่อไปก็รู้จักเรื่องทำบาตรทำกรรมนรกสวรรค์ลุนิพันธ์อย่างจริงรู้จักเมื่อรู้จักนี่ก็พร้อมตัวกันลูเล้เพื่นหลพอเคยพูดให้ฟังว่าขันห้าในรวมจวนเขาธรรมด รูป ก, กะรวมเวทนากะรวมสัญญากะรวมสังขารกะรวมวิญญากะล وم, ล وم ระรวมรวมตวงเขา้ากันหมดกับที่นี้เรียกว่าอาการเกิดดับเกิดขึ้งที่นี้ถ้าอันนี้ยังว่าปรากฏด้วยอย่างบุรูกแต่รู้บนหลังรูค้คนสงบส ง, งรู้ว่าทาดีทำทตัวด้แก่รลวง่ออยงบุรู้ที่ถูกองอยู่เมื่อหลวงพ่อมาเป็ น, นที่เรงหลวงรู้ที่ถูกเป็นทระอยู่ใตก้นที่รู้นั่นคือมัน มันพร้อมตัวกับควารู้จักเรกว่างขันห้ารวมตัวกับทั้งหมดนี้รู้จักพระพเจ้าตัดผมครั้งเดียวในอันนี้บมไม่ไดไปตัดผมยุ่ถึงหัวคนนี้่ผมเอตัดผมครั้งเดียวก็หมายถึงซึ่งที่มันเป็นกฎของธรรมศาสตร์มันเข้าสู่สภาวะรูปนี่ก็เข้าสู่สภาวะจิตใจเข้าสู่สภาวะของมอันอันนี้น่ะมันโบยนาวนบทพันมันบยปรากฏขึ้น คนเอื้นอนเขาเเจ้าตัดผมครั้งเดียวแต่เราเข้าใจว่าตัดผมจแท้พุทธโบเมียนมันรู้จักมันจืดมันถอนมันี้เป็นสิ่งที่น่าสัจจัยเป็นสิ่งที่เคารพนับถือเป็นสิ่งที่โบโบเคยมีมาก่อนเรื่องโมนิเนี่ว่าขาดคิดโบได้เรื่องทำมามันต้องปฏิบัติให้นเป็นเมืม่อไหร่โเป็นเนี่ยอยากจะเข้าใจว่าเจ้าของรูโบเมียนมันรู้ซื้อๆรููซึ้อๆก็เป็นการคิดเอาที่ คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตรงคิดอย่างนั้นมันทูกขกันนะกันทุกแบบของพระเจ้าขเาขาอยาไปตำแหน่งพระเจ้าแต่เขารู้วิธีไหนเอาวิธีนั้นมาสอนหลวงพ่อพูดนี่เพื่อพูดเพื่อกลุก่มจริงใจให้เราทุกคนเอาไปใส่ได้ใส่ได้จริงๆในชีวิตนี้แหละบรเมเสวาตายแล้วจริงจะเอาบแมนคือถ้ำเนี่ยมันมืดมานานแล้วเขาต้องหาวิธี เอไม่คิดไฟเพียงไขอยู่ในมือเขานี่มีแล้อุปกรณ์ไม่คิดไฟเทียงไขคือยังคือรู้สึกตัวนั่นเนี่ยรู้สึกตัวนะเป็นไม่คิดไฟ<ม>เพียงไขเขาคือมันคิดเขาลูบเอาพยานจุดสองอย่างนี้ยนะุดแล้วก็สว่างขึ้นมาก็ย่างนี่จากทํางนั้นบวกเข้าไปอยู่ในธร้งถึงทีเข้าไปอยู่ในธร้งกับบบวชให้มันมือต่อไปต้องรู้สึกตัวทันที น, นี่เป็นหลักการปฏิบัติธรรมา ถ้าหากว่าเขาบออกจากทั้มแล้วก็อย้อนมืดมิดอยู่นานแต่ไหนตายไปก็จอยู่ทั้ตึมถ้าเขาออกจากทั้มมันแล้วก็มืดมืดขมืดมืดขมืดแล้วจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างก็เป็นเนี่ยเราจะไปส่งใสให้เนี่ยเนื่องจากมันบบมืดแล้วก็ใสได้เนี่ยก็มียทุกคนผู้หญิงก็คือการผู้ชายก็คือการพระสงฆ์องค์นใดก็คือกันคนสร้างใดก็คือการทั้งมดเป็นมืดทุกคนหลวงพ่อรับรองท เพราะว่าหลวงพ่อรู้จักางสิ่งบ่มเเมนว่าเที่ยวถือศาสนานั้นถือศาสนานีกบ่มนเขาว่าถือศาสนาก็หมายถึงตัวเหว่านี่เลย ก, ก็เดียวถ้ามีคนแล้วก็ต้องมีศาสนาถ้าบ่ามีคนเมื่อใดก็บ่มีศาสนามื่อ น, นั้นจัิงไหมทว่าคนนี่มันต้องเกิอดอยู่ตลอดเวลามันต้องมีอย่างที่บอว่ายุคใดสมัยใดมันเป็นอย่างที่มีดีมีซั่วคนนะลักษณะกติปัญญาจะบ่มเหมือนกันบางคนนั้นมีปัญญามาก บางคนมีปัญญาน้อยหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนาะน่ะบางคนนะดีก็เขาเป็นมีบางคนเขาดีกาเขาก็นมีมันดีคนละแบบกันบางคนมีกําลังบางคนก็มีกําลังบางคนมีปัญญาคือหมูทันเรียนหนังสือได้ปริญญามานี่แล้วสวนปริญญาหลวงพ่อโบได้หลวพ่อเขียนหนังสือพรเป็นอ่านหนังสือพระ เ, เป็นแต่เมื่อปฏิบัติธรรมะแอบหลวงพ่ออ่านเป็นตัวลาวเอาตทรรําำ เดี๋ยวนี้ก็มาพยานเียนตัวไทยกับมู้นพยานพูดพูดภาษากลา ง, งออ ค, อคอือว่าบุกไปคัดไปแนงบอกผิดถุกถูกแต่เรื่องวิธีปฏิบัติธรรมะกรรมาถาในหลวงพ่อเทวคันธ้ท่าทางหลวงพ่อแพรก็เส็จเสมอตัวที่ให้แพรมู้นจนหมด น, น, นั้นบบมีหลวงพ่อที่บอกโบมีเลยเพราะหลวงพอมองเห็นสภาพคําพูดออกมาเลยใครที่พูดยังใดหลวงพ่อสามารถที่จะฟังรู้พูดจริงพูดบ่จริงหลวงพอรู้เมื่อกี้พูดลึก ตื้นขนาดไดโนพะรู้่ยจับบนไดมาพูดธหลงพ่อรู้พราหลวงพ่อรู้อย่างนั้นจริงจริงนี่นะเรื่องเห็นสี่แส ง, งสพีเทวดานรกสวรรค์อ้อยบอกพุกกะเป็นพุกกะบป็หนหลวงพ่อทามาแล้วเรื่องจะไม่เห็นจริงแก้สิ่งที่เห็นนั่นเห็นจริงแก้สิ่งที่เห็นนั้นบทตรเนีของจริงมันทีเนี่ของจริงอย่างใดมันลอกเขาอะ่ะหลวงพ่อเคยว่าให้ฟังจิตนี้ก็กลับได้ไวบุตรมีลานไขในตน เราท่านวันบังคับคนให้จิตหมุนมาในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตหมุนไปในทางข้างกีทำที่มีก็จะมีจตกนายหายสูนทำที่มีคือยังทำที่มีก็คนรู้สึกคนนี้วันนี้มันหายสูนไปจากเขาทํำผิดไปแล้วผมระยำสมบูรณ์เ น, นี่วันนี้ผมระยำสมบูรณ์คือว่าจิตมันคิดเขาบี้ อะทําบบนี้อาทำมาถึงปุบปุบลู่ติดดวงเข้าครอบงำเข้าคอบงำที่ใจมันกระปี้นปอกหลอกเขามันล่อตัวเขาไปเขาก็ไปเห็นภาพแบบนี้ไปเห็นได้เห็นจริงได้บนี้ได้ของที่เห็นนั่นบนนี้ของจริงมันจะจริงจะได้มันลอกเขาหลวงพอย่างเดินจมกรมนี้เห็นเลขติดอยู่ฝ้าเบอร์เลอพอฝ้ามือยากษ์มัเห็นเพิมเหมือนเรเห็นแล้วของมันบนมี้ของจริงนี่จิตใจมันลอก หลวงพ่ อ, อยังคิดว่าจะไปซื้อเลขคนนี้เป็นเรื่องของโบจรเนี่ยมันหลอกได้คนผู้ใดหามาว่าให้หลวงพ่อฟังโอ้โอโอโคนนั้นอย่ า, างโบธีกรมพิทูพูลูโร่ก็เรื่องนิมิตนะคำว่านิมิต ท, ที่หลวงพ่อว่าเนี่ยหมายถึงสิ่งที่สัญญาเรารู้นี่นิมิตเขาจับท่านจับเนี่เลงไปว่าที่ไปจับอันนั้นอันน้นั่นอันนี้จับโดนคือเอาพลิกมือขึ้นน่ะรู้สึกตัวนั่นเป็นนิมิตมันพิกตามมันรู้สึกตัวนี่นิมิตนิมิตเปนเครื่องหมาย หมายจะได้หมายให้เรามีสติรู้สึกจับอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันคิดมาก็เห็นก็รู้เนี่เป็นนิมิตคือว่านิมิตนี่มันเป็นเครื่องหมายมันเป็นสัญญาอันนึ่งให้เขาเข้าใจว่านิมิตแปลว่าเครื่องสัญญาเครื่องป้องกันตัววัแม้ว่านิมิตไปเห็นอันนอกคนอันนั้นว่เห็นใจตัวเองใจมันลอกเขาจิตใจมันนึกมันคิดเนี่ยมันลอกเขาถ้ามันลอกเขาได้ก็แสดงว่าเขานี่โบลูเทาโบลูทันโบลูทันเหตุการณ์ซึ่งแล้ว มันก็ลอกเขาวิธีปฏิบัติให้เข้าใจคนว่ายกพ่อเคยพูดให้ฟังหลวงพ่อเอามือเกี้ยวผมผมยาวถอดออกมาหลวงพอเห็นหลักผมตัดผมครั้งเดียวมันจะเป็นอยู่พุนเมื่อทอนออกมาแล้วที่เอาลงหูเขามันบวมเขา่ามืองกับนอ็อตนี่เขาม า, เ, าเกี่ยวามาแล้วเอุปสรรคใบหุกมันหุกเกี่ยว น, อน็อตหุกแหวนนอตเข้ากันแล้วก็เขาอยู่แต่มันบวจุเ ข, ข้ากันมันเป็นเครื่องดึงรูดปมันบวมี่ แล้วมันนี่ตำราเขามายกไว้ในอัญตนะสิทธองตัวตาหูจมูกเลี้ยงกายใจภายนอกภายในตัวอัญตนาภายในหกภายนอกหกเข า, า, า, าเป้นอัญตนะสิทสองตัวเห็นแล้วก็อยากไปรู้ว่าเห็นว่าดีชั่วหูฟังอยากจะไปรู้ว่าหูนะึกฟังม้วนเพาะม้วนเสือส่อมันยังเจียวมันยังบุญได้ทํำลายพอดีมูลขกขาทำกมูลเข้าไปเน้นแน่แนเขน้าไปกับบ่มีมูลกับจักเถื่อ มันก็เลยยิงหมู่ก็ยิงแน่นที่บ้านี้บ้านนี้ทำหมู่กับหมูครับแล้วมันก็หายตัวออกขายตัวออกวิดแล้มันก็อยู่กันหมได้อันนี้แสดงว่าบทต้องพูดถึงอญชนนะริตตอที่หลวงพ่อคุณพูดถึงลงจิตใจทีเดียวนี่แหละแม้มันจะพูดไปเสียก็มันรวมอยู่ที่ใจตาเห็นมันก็ไปรวมที่ใจหูฟังเสียงก็ไปรวมที่ใจดังเฮานี้เดี๋ยวมันจะมูมมันรู้จักว่ามันเหม็นมันหอมมันก็ไปรวมที่ใจ โตจมูกโตตาโตหูเขาเนี่ยมันบรูษอกมันใจพุ่นมันรู้มันเป็นทางออกของอ จ, จิตใจเพราะยังเปรียบไปมีจุ่มโผล่จุ่มนึ่งมันมีหกหูมีเฮี้ยกอยู่ในหูตัวหนึ่งในหกหูนัน่นแล้วจะให้ยังใดยังจะจับเฮี้ยนนั้นได้ปุ๊บครูบาอาจารย์คเคยลองให้ฝันเลยเนขะาก็ต้องอุดมันห้าหูนั่นนะมิจิขุดไปตามไป อุดห้าหูเลวนะมันออกหูเดียวอันรเงพอดีมันออกมาเอาคอนนี่เอาอย่างไปจอบอยู่ไปพกอยู่ันพอดีมันออกมาค้อนตีหัวรถอะไรนี่อันนี้ก็บคนเดียวกันยังที่หลวงพรวานี่เนี่ยเขต้องไปตามมันหกหูเขาไปตามหกหูกับนานได้เถอะบางทีอาจารบูทึกก็ได้มันที่ขุดหูบูมีโซก็ได้เจร น, น, นีๆที่นํามาร้อยให้ฟังเนี่มันรวมอยู่บนเดียบพระที่ว่าวันได้ก็รวมอยู่บนเดียบนี่มั้ย พระใจไปดกทั้งแปดมืดซี่พันพระดมาขันกบหลวอยู่นิมัสอย่างที่มีคนถามอย่างที่สมาธิสมาธิเนี่ยเราโบรูหลวงพ่อโบลูจะสคนสมาธิคือคนตั้งใจนั่นเองตั้งใจมัน่นทําการทํางานพูดคิดสมาธิอะไรวันนี้สมธามสมธิจะเป็นนั่งอยู่ให้มันจะตัวแข็งนั้นหลวงพ่อทามาแล้วเรื่องสมาธิตัวแข็งจึงหลวอก้าได้ยืนยันรับรองสอนได้ไป น, น ของจริงมันต้องกล้าใดมนคันธ้ากล้าโบได้ก็แสดงว่าบอกนั้นโบจิตที่มาเล่าให้ฟังตอนเต่าเมื่อกี้ก็เห็นว่างสมบวรแล้วท้ที่สุดนี้อาตมาหรือผมพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้อาตมาขออ้างอีงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและท่าธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอานาสาวกพระสมาสัมพเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพมเรา ให้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจประพฤตปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในเหาเนี่ยทุกคนบยกเวนถ้าห้ากอย่างบุเป็นเดียวนี้น่ะจวนจะหมดลมหายใจแน่นอนที่สุดหลวงพ่อกล้าได้อย่างเต็มทุกคนต้องเป็นไม่เป็นไม่ได้ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้พบได้เห็นเอาในปัจจุบันนี้หรือว่ากําลังเคลื่อนตัวขึ้นไปนี้ให้ได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเถอ